จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันสุขที่13พุทธภาคมพุทธศักราชสอง9เป็นวันพระวันธรรมวาสนา วันพันธรรมเป็นวันที่พุทธศาสนกิกชนได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาชำระ ก, กายวาจาใจให้สะอาดเพราะความสะอาดของกายวาจาใจนำความสุขความเจริญมาให้แก่ใจความไม่สะอาดของกายวาจาใจ นำมาซึ่งความทุกข์ซึ่งความเสื่อมเสียซึ่งความไม่สบายใจต่างๆความสุขความทุกข์ของพวกเราไม่ได้อยู่ที่ความเจริญหรือความเสือ่อมในลาบยศสารเสริญแต่อยู่ที่ความสะอาดหรือความไม่สะอาดของกายวาจาใจ กายว่าจใจไม่สะอาดใจก็จะไม่สบายกายว่าจใจสะอาดใจก็จะมีความสบายเหมือนกับร่างกายร่างกายไม่สะอาดก็ไม่สบายร่างกายได้ชำระอาบน้ําอาบทา่าจนสะอาดก็จะรู้สึกสุขสบายฉันใดถ้าเรายังต้องมีการชำระ ร่างกายด้วยการอาบน้ำอาบท่าเราก็ต้องมีการชำระใจและการกระทำทางกายและทางวาจาเพราะถ้าเราต้องการความสุขทางใจความเจริญทางใจกายวาจาและใจของเรานี้จะต้องสะอาดคือการกระทำทางกายทางวาจาทางใจจะต้องสะอาด ถึงจะทำให้ใจมีความสุขความเจริญดังนั้นวันพระเราจึงถือเป็นวันที่เราต้องมาทำความสะอาดกายวาจาใจของเราเหมือนกับเวลาที่เราอาบน้ำอาบท่าวันหนึ่งนี้เราต้องอาบอย่างน้อยวันละสองสามครั้งร่างกายถึงจะสะอาดถึงจะทำให้เรามีความสุขดันั้นการชาระ การกระทาทางกายทางวาจาหน้าทางใจก็เป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าเราต้องการความสุขและความเจริญของจิตใจดังนั้นวันนี้เราจึงมาชำระการกระทาทางกายทางวาจาให้สะอาดด้วยการรักษาศิ่งด้วยการละเว้นการกระทาบาปละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นการ ละทรัพย์ละเว้นการประพฤติผิดประเวณีละเว้นการพูดปกหนเดชโกหกหลอกลวงและและเว้นการเสพสุรายาเมาและของบิรเมาต่างๆเพราะนี่เป็นการกระทําที่จะนำมาซึ่งความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆถ้าไม่ได้กระทําบาปแล้ว ใจก็จะเย็ยนจะสบายนี่คือการชำระการกระทาทางกายและทางวาจาต้องชำระด้วยการรักษาศีลห้าถ้าเรายังรักษาศีลห้าไม่ได้แสดงว่าใจเรายังขาดความเมตตาเรายังไม่มีความปรารถนาดีมีความรักต่อผู้อื่นเรามีแต่ความรัก ของตัวเราเพียงคนเดียวเราเราเราต้องการอะไรให้กับตัวเราเราก็จะทำโดยที่เราไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อืนเพราะเราไม่มีความเมตตาถ้าเรามีความเมตตาเราจะต้องคิดก่อนว่าเวลาเราทำอะไรไปแล้วทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนหรือไม่ไปเบียดเบียนเขาหรือไม่ ไปสร้างความเสียหายให้กับเขาหรือไม่ถ้าคนมีความเมตตาถ้ารู้ว่าทําแล้วจะทําให้เกิดโทษแก่ผู้ก็จะไม่กระทำํำถ้ามีความเมตตาแล้วเวลาจะฆ่าสัตว์ก็ไม่ฆ่าเวลาจะลักทรัพย์ก็ไม่ลักทรัพย์เวลาจะประพฤติผิดประเวณีก็จะไม่ประพฤติเวลาจะพูดโกหกหลอกลวง ก็จะไม่กระทำเพราะคนที่มีความเมตตานั้นมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นมีความหวังดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุขนั้นการที่เราจะแสดงว่าเรามีความเมตตาหรือไม่เราต้องทําทานให้ได้ก่อนถ้าเราทําทานไม่ได้แสดงว่าเรายังไม่มีความเมตตาเวลาแผ่เมตตานี้ ต้องแผ่ตอนที่เราพบปะคนไม่ใช่แพ้แผ่เมตตาเวลาที่เราอยู่คนเดียวไหว้พระสวนมนต์แล้วก็แผ่เมตตาอย่างนั้นยังไม่ได้แผ่เพราะไม่มีคนรับจะต้องแผ่อย่างตอนเช้าเนี่ยมาวัดมาใส่บาตรนี่เรียกว่าแผ่เมตตาการที่เราใส่บาตก็เพราะเรามีความปรารถนาดีต่อพระภิกษุ ที่อยู่จำวัดที่นี่อยากจะให้ท่านมีความสุขไม่อยากจะให้ท่านมีความทุกข์ที่เกิดจากความขาดแคลนในปัจจัยสี่เจนอาหารวินทบาทจีวรเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคและที่อยู่อาศัยเราจึงมาวัดเพื่อมาทำบุญทำทานกันนี่คือการแสดงออกถึงความเมตตา ถ้ามีความเมตตาทำบุญทำทานได้ก็จะรักษาศีลได้เพราะคนที่ทำบุญทำทานจะมีความปรารถนาดีจะไม่คิดที่จะทำร้ายผู้อื่นจะไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสุรายาเมานี่นี่คือเรื่องของการชำระกายและวาจาถ้าเรายัง เห็นว่าเรายังรักษาสีห์้าไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่มีความเมตตาเรายังไม่ได้ทำบุญทาทานดังนั้นก่อนที่เราจะรักษาสีห์ห้าได้เราต้องมันทำบุญทาทานอยู่เรื่อยๆมันแผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆเวลาพบปะกับใครก็ทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสอย่าหน้าเบื่อแยกเขี่ยวใส่กัน เวลาที่เห็นใครเขาเดือดร้อนช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือเขาเวลาที่เรามีอะไรเหลือกินเหลือใช้ก็เอามาแบ่งปันให้แก่ผู้นี่คือวิธีเจริญเมตตาการเจริญเมตตาไม่ได้อยู่ที่การสวดสัพเพสัตตาอเวราหอมตุกอันนี้ยังไม่ได้แผ่เป็นการสอนใจเป็นการศึกษาให้รู้ว่าความเมตตา มีอะไรบ้างความเมตตาก็คืออเวลาหงุดหงเราจะไม่จองเวรจองกรรมกันไม่ว่าใครจะทำอะไรจะพูดอะไรที่ทำให้เราเสียหายที่ทำให้เราเสียใจเราจะไม่จองเวรจองกรรมวิธีไม่จองเวรก็คือต้องให้อภัยอาโหสิกรรมถ้าเราให้อภัยแล้ว เราก็จะเย็นจะสบาเราก็จะไม่ไปทำบาปแต่ถ้าเราให้อภัยไม่ได้เวลาใครมาทำให้เราเสียหายเสียใจเราก็จะไปทำร้ายเขาด้วยวิธีการต่างๆก็จะทำให้เราทำบาปทำให้เรากลายเป็นคนที่ไม่มีความสะอาดทางกายทางวาจาและทางใจ ทำให้เราไม่มีความสุขทำให้เรามีความทุกข์ความทุกข์เกิดจากไฟของความอาฆาตพยาบาทเวลาอาฆาตพยาบาทใครนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับไฟนี้ร้อนนี่เรียกว่าไฟนรกนี่คือเหตุที่จะทำให้เราไปตกนรกกันคือความโกรธเกลียดเทรียดแทน้นอาฆาตพยาบาท และวิธีป้องกันไม่ให้เราไปตกนรกก็คือใช้น้ําของความเมตตาเมตตานี้เป็นเหมือนน้าดับไฟนรกถ้าเราสร้างความเมตตาขึ้นมาให้อภัยบุคคลที่เขามาสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้กับเราถ้าเราให้อภัยเขาได้เราก็จะเย็นจะสบายหายโกรธหายกลียเครียดแค้น ไฟนรกก็จะดับไปวิธีที่จะให้อภัยก็ให้มองว่าสิ่งที่เขาพูดหรือสิ่งที่เขาทํานั้นมันก็ผ่านไปแล้วมันก็จบไปแล้วความเสียหายก็เกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถที่จะไปย้อนกลับไปในอดีตเพื่อทําให้เขาพูดดีทดําดีเพื่อจะทําให้ไม่เกิดความเสียหายกับเราอันนี้เรา เปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อมันผ่านไปแล้วเราจะเอามาแบกไว้ในใจเราทำไมมันไปแล้วมันหมดแล้วเขาพูดแล้วเขาทำแล้วความเสียหายหเกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถไปเปลี่ยนอะไรมันได้นะ้วแต่ความเสียหายนี้มันไม่เป็นสิ่งที่ร้ายแรงเหมือนกับความอาฆาตพยาบาทเพราะความอาฆาตพยาบาทนี้ จะทำให้ใจเราร้อนเป็นไฟขึ้นมาจะทำให้เราต้องไปทำที่จะทำให้ใจกายวาจาใจของเราโกรกไม่สะอาดขึ้นมาอันนี้เราต้องมองปัจจุบันอย่ามองอดีตอดีตมันผ่านไปแล้วเขาพูดเขาทำอะไรมันผ่านไปแล้วสิ่งที่เสียหายก็เกิดขึ้นแล้วเราดูปัจจุบันว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังสร้างไฟนรก ให้กับใจของเราเรากำลังจะไปทำบาปทำกรรมอยู่หรือเปล่าอันนี้ต่าหาเป็นตัวที่เราต้องมองเราต้องดูตัวนี้ว่าใจเราเย็นไหมใจหรือใจเราร้อนใจเราโกรธหรือใจเราไม่โกรธใจเราอาฆาตหรือไม่อาฆาตถ้าโกรธถ้าอาฆาตเราต้องให้อาภัยให้ได้เพราะถ้าให้อาภัยไม่ได้เดี๋ยวเราจะต้องไปพูดไม่ดีทาไม่ดี กับบุคคลที่ทำให้เราเสียหายเราก็จะเกิดเป็นสงครามขึ้นมาพอเราไปพูดไปทำร้ายเขาเขามันก็ไม่พอใจเขาก็จะมาพูดมาทำร้ายเราแล้วเขาพูดทำร้ายเราเราก็ไม่พอใจเราก็กลับไปทำร้ายเขาใหม่ทำไปทำมาเดี๋ยวก็ตายด้วยกันทั้งคู่ ถ้าไม่ตายทั้งคู่ก็คนหนึ่งก็ไปติดคุกคนหนึ่งก็ไปไปเมรุไปสู่วัดไปสู่ความตายเพราะไม่มีความเมตตาต่อกันละกันนี่คือพิษภัยอันตรายสำหรับจิตใจของพวกเราคือการไม่มีความเมตตาเราจึงต้องพยายามเจริญเมตตาการสวดนี้เป็นการ ศึกษาว่าสัพเพสัตตาอเวราหนตุนี้หมายความว่ายอย่างไรสัพเพสัตตก็คือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนี้หมายถึงใครหมายถึงสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมเป็นเดลฉานเป็นเปรเหล่านี้เรียกว่าสัตว์ทำนั้นคำว่าสัตว์ก็คือผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอยู่ คำว่าสัตว์นี้ไม่ได้หมายคำว่าเดรัจฉานเดรัจฉานก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งมนุษย์ก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร น, นี้เราเรียกว่าสัตว์ทั้งนั้นเทวดาก็สัตว์พรหมก็สัตว์นี่คือสัตว์เราต้องให้อภัยทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นหญิงเป็นชายเป็นเดรัจฉานเป็นเปรต เป็นผีเป็นใครก็ตามถ้าเขามาทำร้ายเราเราให้อภัยเขาไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขาทำร้ายเรามากน้อยเพียงเขาก็ไม่สามารถทำลายเราได้ใจของเรานี่เป็นของที่ทำลายไม่ได้แม้แตะระเบิดนิวเคลียร์ก็ไม่สามารถทำลายใจของเราได้ไม่สามารถทำลายตัวเราได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปวุ่นวายใจ กับการกระทำของคนอื่นเราเป็นมนุษย์ล่องหนเปิดยิงไม่เข้ามีดแทงไม่เข้าสิ่งที่มันแทงมันไม่ใช่ตัวเราคือร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราสิ่งที่มันยิงไม่ใช่ตัวเราสิ่งที่มันยิงก็คือร่างกายร่างกายนี้จะถูกยิงหรือไม่ถูกยิงจะถูกแทงหรือไม่ถูกแทงเดี๋ยวมันก็ตายเหมือนกันดีเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปวุ่นวาย เวลาที่ร่างกายถูกทำลายเพราะไม่ใช่ตัวเราตัวเราคือใจมนุษย์ร่องหงมไม่มีรูปไม่มีร่างต่อให้ใช้ระเบิดนิวเคลียร์ก็ไม่สามารถทำลายใจของเราได้ทำลายตัวเราได้สิ่งที่เขาทำลายได้ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นคนรับใช้เราใจเป็นนายกายเป็นบ่าวสิ่งที่เขาทำลายก็คือบ่าวคนรับใช้ของเราซึ่งเราเปลี่ยนได้ เบาคนนี้ตายไปเราก็ไปหาเบาคนใหม่ได้เดี๋ยวก็ไปเกิดใหม่ถ้าเกิดใหม่ด้วยความเม่ตาก็าจะได้ร่างกายที่สวยงามกว่าเก่าถ้าเกิดใหม่ด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค่ก็จะได้หน้าตาที่เลวกว่าเก่าจะเอาคนเอาคนใช้แบบไหนดีเอาคนที่สวยกว่าเก่าดีกว่าเก่าหรือเอาคนที่เลวกว่าเก่าหน้าตาน่าเกลียดหน้าขวัว อยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ใจของเราว่ามีความอาฆาตมีความพยาบาทหรือเปล่าถ้าเราไม่มีความอาฆาตพยาบาทเวลาร่างกายนี้ตายไปเวลาเรากลับมาเกิดใหม่เราจะได้ร่างกายที่สวยงามกว่าเก่าเพราะความเมตตานี้เป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้สิ่งที่สวยที่งามทั้งหลายดังนั้น เราต้องมาแผ่เมตตากันตอนต้นก็ศึกษาก่อนสวดไปก่อนสัพเพสัตตาอเวราโหนตุหมายความว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่ามีเวรกับข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าจะไม่มีเวรกับสัตว์ทั้งหลายใครทําร้ายเราทําความเสียให้ให้กับเราเราจะยกโทษให้อภัยไม่ไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่ไปฟ้องขึ้นศาล ให้เสียเวลาเสียเวลาเปล่าๆหน่วยไปเปล่าๆแล้วผลก็คือจะเกิดความโกรธเกลียดกันตามมาถ้าเราชนะเขาแพ้เขาก็จะเกลียดเราโกรธเราถ้าเราแพ้เราก็จะโกรธเขาเกลียดเขาต่อไปเดี๋ยวตายไปไปเกิดชาติหน้าไปเจอกันที่ไหนก็จะโกรธจะเกลียดกันสังเกต ด, ดูคนที่เราเจอกันเนี่ยไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยแต่พอเห็นกันปั๊บนี้ไม่เอาแล้ว ไม่ชอบที่หน้าแล้วนั่นแหละแสดงว่าเป็นเคยเป็นศัตรูกันมาก่อนเคยโกรธเคยเกลียดกันมาก่อนส่วนคนที่เราพอเห็นปั๊บชอบเลยรักเลยนี่แสดงว่าไม่มีความโกรธเกลียดันมาก่อนมีความเมตตาต่อกันดังนั้นขอให้เราทําความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเถิดแล้วเวลาเราเจอใครนี้เราจะมีแต่ความรักความชอบกัน จะไม่มีความโกรธเกลียดกันผู้ที่มีความเมตตานี้ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนี่คือผลที่เกิดจากความมีความเมตตาจะไม่มีใครโกรธไม่มีใครเกลียดเราจะไม่มีใครฆ่าเราด้วยอาวุธด้วยยาพิษต่างๆแล้วเราจะมีแต่ความสุขทั้งเวลาที่เราตื่นแลนะเวลาที่เราหลับและเวลาที่เราตายไป เราก็จะไปสู่สุขติไปสู่ที่ชอบที่ชอบไปสู่พบของเทวดาพบของพรหมพบของพระอริยเจ้านี่คือผลที่จะเกิดจากการที่เราแผ่เมตตาดัางนั้นเรามาศึกษากันสัพเพสัตตาเอเวลาหงุแต่ว่าไม่จองเวรจองกรรมกันสัพเพสัตตาอบายาปชาหงุด แปลว่าไม่เบียดเบียนกันไม่เบียดเบียนก็คือไม่ไปสร้างความเสียหายสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื<ม>่นเช่นไปประพฤติผิดประเวณีนี่ก็เป็นการสร้างความเบียดเบียนให้กับคู่ครองของเราเองและคู่ครองของคนอื่นเราไปมีชู้กับคนอื่นภรรยาหรือสามีของเราก็จะเสียใจภรรยาของ นุสสามีของคนที่เราไปมีชู้ด้วยก็จะเสียใจเราไปเบียดเบียนไปสร้างความทุกข์ให้กับเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ประพฤติผิดประเวณีเราก็จะไม่ไปสร้างความทุกข์ให้กับใครนี่คืออย่าเบียดเบียนอันนี้คาหงตุคือมีความปรารถนาดีให้ผู้อื่นมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สุขทีอัตนาปริหราตุแปลว่า ให้เขามีความสุขกันนี่คือเรื่องของความเมตตาที่สวดกันนี้ยังไม่ได้แผ่เข้าใจไหมและบางทีสวดก็ไม่เข้าใจความหมายว่าสวดอะไรพอใครมาทำให้โกรธนนี่ยากเที้ยวใส่แล้วมีไม้อะไรก็คว้าติทุกตีแล้วนี่ไม่ได้แผ่เมตตาเวลาใครเ็าทำให้เราเสียใจนี่เราต้องให้อภัยเขาแล้วเราจะมีความสุข เพราะเราจะดับความทุกข์ที่เกิดจากความเสียใจที่เกิดจากความโกรธเกลียดเครียแท้นอางฆ่ตพยาบาทนี่คือวิธีที่เรามาชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดถ้าเรามีความเมตตาแล้วเราจะมีแต่ความสุขเราจะไม่มีความทุกข์เพราะความเมตตานี้จะเป็นน้ำชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดโดยสุดนั่นเอง ดังนั้นขอให้พวกเราพยายามสร้างความสะอาดให้แก่จิตใจด้วยการมาวัดมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันแล้วใจของเราก็จะสะอาดขึ้นไปตามลำดับจนในที่สุดจะสะอาดบริสุทธิ์เหมือนใจของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันตสาวกเมื่อใจของเราสะอาดบริสุทธิ์เต็มร้อย เราก็จะมีความสุขเต็มร้อยเมื่อมีความสุขเต็มร้อยก็ไม่ต้องมาหาความสุขจากการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่มาเกิดก็ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้อย่างสิ้นเชิง น, นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามาวัดมาปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้า จึงขอฝากเรื่องของการมาชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้ให้ท่านได้นำมาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณทัศศีรัตนตรัรและบุญกุศล